หมวดที่ห้ากิุทั้งหลายตัชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ลงโดยสอบถามก่อน 2. ลงโดยชอบธรรมสสงพร้อมเพรียงกันลงภิกษุทั้งหลาย